ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมทนิยกถานับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับประเทศท่าว่าทางโลกก็ว่าสำคัญยิ่งทั้งโลกอีงเหมือนกันแ้วว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นวันครูเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเป็นวันวันเด็ก แต่วันนี้วันที่สิบเป็นวันครูครูบาอาจารย์เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พูดอย่างนั้นได้ต้องมีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เออถือถืออย่างองค์หลวงตาหรือหลวงปู่ล่าที่หลวงพ่อเข้าไป เรียนเข้าไปศึกษาในธรรมะปฏิบัติของท่านหลวงพ่อเรียกชื่อของท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายได้เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งลูกหลานเด็กนักเรียนเป็นทรัพยากรลำคาเนอะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันสําคัญยิ่ง และก็พร้อมกันวันนี้ท่านในอำเภออาเภอนายวงของเราได้มาร่วมามาเป็นประธานเพราะว่าท่านเป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ในอําเภอจะว่าท่านเป็นประธานก็ใช่นะถ้าว่าไปจัดอยู่ในจังหวัดก็ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าเป็นประธานเว้นเสียแต่ว่าจะยกจากท่านอื่นมาอกีกแต่หลวงพ่อรู้จักแต่ท่านในอําเภออําเภอนายวงของเราถือว่าวันนี้เป็นวัน สำคัญนะท่านในอําเภอท่านก็ให้ความสําคัญกับครูบาอาจารย์และก็พร้อมกันท่านนายกนายกอบจอนายกอำเภอนายูงของเราก็มีสรุปแล้วก็คือวันนี้ผู้เป็นผู้ใหญ่ของอําเภอนายูงได้มาร่วมกันแสดงความยินดีกับครูบาอาจารย์ที่พวกเรามาคเคารบร ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนี้หลวงพ่ออยากจะขอร้องและขอเน้นหนักเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็ยิ่งรู้กว่าหลวงพ่ออีกเพราะหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงภัยก็ได้รับรู้รับทราบว่าการศึกษาก็ดีทุกอย่างจะเข้าสู่อาเซียนนะจุดนี้แหละจุดที่ว่าอาเซียนคำนี้หละ ถ้าว่าเราได้รับการพัฒนาและการศึกษาที่ดีการเข้าไปสู่อาเซียนเราก็เหนือกว่าเขาแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสนใจกับลูกหลาเนเด็กนักเรียนของเราตามระดับชั้นคําว่าระดับชั้นก็คืออะไรตั้งแต่อนุบาลปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกอันนี้ก็คือระดับชั้นถ้าว่าพวกเราย่อหย่อนในระดับชั้นใดชั้นหนึ่ง พวกเราก็มีโอกาสที่จะเป็นเบี้ยล่างเขาได้เพราะนั้นหลวงพ่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเอกราชมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนพวกเราน่าจะพัฒนาประเทศของตนเองให้ก้าวกระโดดริ่งกว่าประเทศอื่นเพราะว่าประเทศรอบด้านจุ่นอยู่ในอาเซียน ที่มองที่เรามองมองดูแล้วอาเซียนทั้งหมดเกือบจะว่าทั้งหมดนะ เ, เป็นเมืองขึ้นของอารายประเทศเขาแต่เมืองไทยเรามีประเทศเดียวที่เป็นเอกราช เ, เพราะฉนั้นในเมื่อมาเข้าสู่อาเซียนอาเซียนนะพวกเราจะเป็นตามหลังเขานะไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อว่านนะอันนี้คล้ายๆกับว่าเป็นการปลุก ความสำนึกให้แก่ครูบาอาจารย์แต่หลวงพ่อเองก็ เ, เมื่อที่หลวงพ่อเองมาอยู่ที่อำเภอนายูงตั้งแต่รเริ่มหลวงพ่อก็ได้สร้างอาคารเรียนหรือว่า ส, ส่งเสริมในการเรียนการศึกษาของลูกของหลานหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามไม่ได้ดูดายแต่ปีนี้ก็โรงเรียนวังบงเขามาขอการอาขอชั้นเรียนชั้นล่ากหลวงพ่อก็ เอาให้อปตหรือว่าพี่น้องชาวบ้านเขาออกทุนดูถ้าว่าขาดเหลือเท่าไหร่เอาหลวงพ่อจะค่อยจะ พ, พ, พิจารณาต่อไปแต่หลวงพ่อก็เาว่าใช้จ่ายประมาณแสนกกว่าส 90,000 กม่ว่ายังเหลือยังขาดเท่าไหร่ก็ยังขาดอยู่แสนอแองห0 0่ันอะไรหลวงพ่อจะไม่ได้สอง0 0นกว่า หลวงพ่อก็ได้สมทบเข้าไปก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพรตอนนั้นการศึกษาหลวงพ่อไม่ได้ดูดายไม่ได้มองข้ามของโรกของหลานของคณะครูบาอาจารย์การศึกษาก็ดีการพยาบาลก็ดีหลวงพ่อให้ความสําคัญคู่เคียงกันถ้าหากว่าจะยกนิ้วมือทั้งสองคือะจะจะยกอะสองนิ้วขึ้นมาเลยเหมือนริโพวิตัน้น ถึงยังไงนิ้วชี้ก็ต้องหย่อนกว่านิ้วกางไนิ้วกางต้องยาวกว่านิ้วชี้ใช่ั้ยนี่แหละหลวงพ่อว่าการแพทย์เนี่ยหลวงพ่อยังให้ต่ำกว่าการศึกษาการศึกษาเนี่ยคือนิ้วกางสูงกว่านิ้วชี้นะเพราะนั้นการศึกษาของหลวงพ่อก็ดีการแพทย์ก็ดีหลวงพ่อให้ความสำคัญทั้งสองอย่างไม่แพ้กันเพราะหลวงพ่อมีความในใจพิจารณาดูแล้วว่าการศึกษาต้องมาก่อน ถ้าหาว่าเด็กของเราหรือว่าพูดระดับไหนก็ตามถ้าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีคนในชาติโง่เง่ า, งา อ, อไม่ทันโลกเขาการจะพัฒนาประเทศชาติก็คงไปด้วยความยากลําบากเพราะเหตุไรพูดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติไม่ได้รับการศึกษาคือหรือว่าเท่าเทียมหรือว่าเกือบจะเกือบจะเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ในป่าถ้ามีจะตก ป, ปัจจัยมาลวงพ่อก็ะได้มอง ไม่มองข้ามอันดับแรกหลวงพ่อก็ได้ให้ส่วนอื่นก็มากพอสมควรอันดับแรกก็คือโรงเรียนนาคำน้อยทั้งโรงเรียนปถมโรงเรียนอนุบาลจากนั้นก็ให้โรงเรียนต่างๆทั่วหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมุกดาหารหลายแห่งแล้วอุดรของเราแล้วก็น้องคายน้องบัวลำพูจังหวัดเลยก็ได้ให้มโดยตลอดถ้ามีพูด แสดงความจำงมาหลวงพ่อก็ชี้เลยเป็นผู้นำไม่ได้มองเข้าให้การใส่ใจอีกต่างหากการสร้างขึ้นมาแต่ละครั้งหลวงพ่อก็ไปดูไปให้ให้ความสนใจในการก่อสร้างของเขาอันนี้ก็คือการศึกษาจากนั้นเรื่องการพยาบาลก็เหมือนกันเครื่องมือแพทย์ไม่ใช่แต่จังหวัดอุดรถึงขอนแก่นหรือจังหวัดน้องคายที่อยู่รอบด้านของเราอันนี้หลวงพ่อก็ให้ ความสนใจเรื่องเรื่องสุขภาพพราะหลวงพ่อคิดว่าถ้าหากว่าคนในชาติโง่เง่าเต่าทุนการศึกษาไม่ไม่ไม่เก่งหรือไม่ดออีแล้วประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไรในเมื่อพัฒนาเมื่อคนในชาติได้รับการพัฒนาหรือว่าการศึกษาดีแล้วแต่าการแพทย์ไม่ดีหลวงพ่อบอกว่ารถทุกคันถึงจะ ราคาแพงขนาดไหนอากออดีขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งก็ต้องเข้าอู่นี่ก็เหมือนกันพวกเราจะได้รับการศึกษาดีขนาดไหนมีสติปัญญาทำหน้าที่การงานสูงขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพตามขั้นตอนถ้าว่าเข้าไปหาหมอแล้วหมอไม่มีความ ไม่มีศักยภาพในการดูแลรักษาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือที่จะรักษาพี่น้องประชาชนคนในชาติความไว้วางใจของพวกเราก็จะไม่ไว้วางใจในการแพทย์การรักษาพยาบาลก็จะต้องออกไปต่างประเทศอีกเพื่อรักษาให้ดีที่สุดนะเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเราไม่แพ้ต่างประเทศในการแพทย์จะแพ้แต่ในเอเชียของเราก็คือจะแพ้แต่ญี่ปุ่นเท่าเอง กันอกนั้นประเทศของเราล้ำหน้าเขาเพราะฉะนั้นความคําว่าล้ำหน้าคํานี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายทุกระดับชั้นให้ความสนใจเรื่องการแพทย์เพราะฉะนั้นเรื่องการแพทย์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าในการศึกษากริการแพทย์กรณีต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมหลวงพ่อได้มาที่โรงเรียนยุงทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจําอําเภออาเภอนายุงของเราเป็นอำเภอ โรงเรียนมัธยมทีทว่าใหญ่ที่สุดขององเาเภอนายูงเอ่อที่ว่าเอ่อเป็ น, นแนวหน้าขององเาเภอนายูงก็พร้อมกันก็ครูบาอาจารย์ก็ได้มาพร้อมกันที่อเาเภอนายูงองเาเภอนายูงขึ้นต่อเขตสี่อำเภอบ้านผืออาเภอสีนี้มีอยู่สีออำเภออาเภอบ้านผืออำเภอนายูงอํงเาเภอน้ำโสมอเาเภอกุดจับ สอำเภออ่ น, นี่คือเขตสแต่หลวงพ่อก็ภาคภูมิใจปีนี้ไปฉันอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4. สี่สพทเขตสี่มัณฑผือเอ่อก็ไปให้ทุนเอ่อขอนิมนต์ไปเพื่อหาทุนหาทุนให้นักเรียนที่จะไปสอบแข่งในระดับภาคไม่มีทุนหลวงพ่อก็ได้เข้าไป เข้าไปไปหาทุนช่วยกับคณะพออโรงเรียนต่างๆทราบว่าได้เงินตั้งห0แสนนะหลวงพ่อเองก็ได้ยินเล้ปลื้มใจทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายวัดที่เข้าไปหลวงพ่อคือในนามองค์หนึ่งได้ไปร่วมแล้วก็ได้หาทุนช่วยเด็กนักเรียนที่ไปจะไปสอบแข่งระดับภาคที่มหาสารคามปีนี้ก็ทราบว่าของเรา อำเภอในเขต4ของเราอยู่ในระดับที่12ทั้งที่ฟังๆดูแล้วตั้ง60กว่า60กว่าอำเภอนายุง เ, เขต4ของเราได้ที่12ของระดับภาคหลวงพ่อได้ยินแล้วเออปลื้มใจกับครูบาอาจารย์กับเขตของเราถึงพวกเราจะอยู่ปาดงพงไพรแต่การศึกษาของเราก็ไม่ด้อยกว่าไม่ด้อยกว่า เขตอื่นๆ น, น่ได้สิบสองแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเออครูบาอาจารย์พอน้นวันวันให้ทุนนะขอให้ออนักเรียนของเราให้ได้ที่หนึ่งที่สองเป็นอย่างน้อยนะก็ได้ที่หนึ่งกับสองจริงๆว่างั้นเถอะได้ได้ที่สิบสองว่างั้นเถอะเนี่ยเอได้ที่สิบสองของของของภาคนหลวงพ่อเองไ ด, ได้ได้เพียงขนาดนี้หลวงพ่อก็ภูมิใจกับ ครูบาอาจารย์แล้วแล้วก็ต่อไปหลวงพ่อว่าเออปีต่อไปนะให้ครูบาอาจารย์ขยันขึ้นอีกนะให้เอาเลขหนึ่งท่นี่ไม่ให้เอาถึงสองเลขเพราะงั้นเถอะไม่ให้เอา ห, หึ่งกับศูนย์หกับ1ไม่เอาเอา9ลงมาท่นี่นะเก้าแปดเจ็ดสลงมาเลยท่นี้ได้ที่1ก็ยิ่งดีนะออขอให้ครูบาอาจารย์ตั้งอกตั้งใจในการสอนลูกสอนหลานของพวกเรา เพราะว่าหลวงพ่อพูดเลยว่านักเรียนจะเรียนเก่งหรือเรียนดีเนี่ยต้องครูบาอาจารย์เป็นหลักพูดอย่างนั้นได้นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็คิดว่าเออเด็กนักเรียนอยู่ในเมืองเขาได้รับอาหารดีอะไรดี เ, ออเขาก็จะได้รับ เ, ออเขาก็จะเรียนเก่งกว่านักเรียนชนบท แต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้หงพ่อกลับใหม่แล้วครูบาอาจารย์ฟังเอาไว้นะหลวงพ่อกับกับคำพูดใหม่หลวงพ่อบอกว่าจะโยนในระดับไหนก็ตามถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสนใจไม่ให้การสอนเด็กนักเรียนที่ดีเด็กนักเรียนนั้นจะเก่งไปไม่ได้ เ, เพราะฉนั้นครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละจะเป็นผู้นําของเด็กนักเรียนท่านครูบาอาจารย์ใส่ใจในการ สอนเด็กนักเรียนแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าเด็กของเราเนี่จะต้องก้าวกระโดดแน่ๆถ้าหากว่าต่อไปภายภาคหน้านะถ้าหากว่าครูบาอาจารย์โรงเรียนพิทยาคมของเราเนี่ทุกระดับทุกครูตั้งแต่พานโรงก็ใส่ใจในการทำความสะอาดโรงล่ําโรงเรียนจัดการจัดงานดีตั้งแต่พานโรงมาทั้งถึงครูน้อย จนถึงครูใหญ่จนถึงผ อ, อถ้าหาว่าใส่ใจในการเรียนการสอนหลวงพ่อว่านักโรงเรียนของเราเนี่อาจจะยกชั้นก็ได้นะเข้ามาหาวิทยาลัยนะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะ่ะถ้าว่าครูบาอาจารย์ใส่ใจหนะลวงพ่อว่าเป็นไปได้ถึงจะไม่ยกชั้นก็เถอะนะจะต้องติดมาหาวิทยาลัยในระดับประเทศให้ได้เห็นเหมือนกัน แต่ทางว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้สนใจไม่ได้เน้ไม่ได้มั่นใจไม่สอนไม่ได้สอนมาแต่ระดับชั้นปถมแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละหมู่บ้านก็ไม่ได้ตั้งใจสอนพอมาส่งถึงอำเภอนายูงโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมก็อ่านไม่ออกอีกแล้วจะส่งเข้ามหาวิทยาลัยจะส่งไปได้อย่างไรเพราะนั้นมันต้องมันเหมือนกับฟันเฟืองนะ ฟันเฟืองใหญ่ฟันเฟืองเล็กซะก่อนแล้วก็มันหมุนฟันเฟืองใหญ่ตอนนั้นฟันเฟืองใหญ่มันก็ทงหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านในเขตเอำเภอนายูงของเรานี่มีกี่หมู่บ้านมีกี่โรงเรียนพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายก็รู้ว่ามีนักเรียนโรงเรียนมีกี่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนให้ความใส่ใจให้ความสนใจในการสอนลูกหลานแต่พวก หลวงพ่อขอย้าเตือนว่าบางครูบางอาจารย์ตัวเองก็เป็นครูอาจารย์มานมนานเป็นครูเก่าแก่พอเด็กพอครูบาอาจารย์รุ่นเล็กมาก็อยากจะให้เขาสอนอย่างตัวเองสอนนั่นแหละอันนี้ขอพัฒนานะให้ครูบาอาจารย์พัฒนาตัวเองขึ้นมาบ้างคือเราต้องฟังเขาเด็กนักเรียนที่เขาได้รับการศึกษาครูบาอาจารย์ที่ได้รับการศึกษามา ปริญญาตรีโทมาหนึ่งเมื่อเขามาสอนเราก็ต้องฟังเขาดูเขาก่อนแต่หากว่าดูเขาแล้วมันไม่ท่าเออเรายังเป็นผู้นำต่อแต่ว่าดูแล้วเขาจะเป็นผู้นำได้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเราก็ต้องดูเป็นพี่เลี้ยงเขาเขาวิธีการสอนสอนอยังไงทำยังไงยังไงยังไงบรณวิชาชีพรุ่นใหม่่มีมีตั้งมากพอมันจบออกมาแล้วสอบเออเวลาเขาสอบแล้ว เขาได้คะแนนดีเราก็น่าจะเสริมเขาอีกเราน่าจะเรียนจากเขาอีกออมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าจะไปคว้างเขาอยู่ตลอดออโดยมากสู้ทั้งหลายสู่ข้าไม่ได้ผลในสุดครูน้อยทั้งหลายแหละก็เลยหมดกําลังใจข้อนี้ก็อยากจะฝากไว้กับครูบาอาจารย์ฝากกับพอ อ, อทุกคนพราะความรู้ความฉลาดนั้นใครได้เรียนได้ศึกษามาแล้วเขาก็ต้องมีความรู้ที่จะ นำมาสอนเว้นเตียเว้นเสียแต่เขาสอนออกไปแล้วเรามองดูแล้วออกนอกลูก่นอกทางอันนั้นก็เราก็ปล่อยวางมือไม่ได้แต่ถ้าว่าเขาทําดีมีผลกําไรหรือว่าเด็กนักเรียนเขาเก่ง เ, เราก็ควรจะเสริมเขาอันนี้หลวงพ่อเคยพูดนะเคยพูดคืออาเซียใหญ่ๆตระกอดนะตัวดกดตะกอนนะเออนนะ่ยเขาบริบริหารห้างร้าน หรือโรงงานของเขาแต่ก่อนเขาบริหารแบบจำจี้จำใยดูแล้วดูอีกแต่เด็กสกมัยทุกวันนี้เขาไม่ได้ดูแบบจำจี้จำใยเขาตั้งวงจรปิดเอาไว้เขาไปอยู่โน่นไปอยู่ที่อื่นนะ่ะเขาจะมองดอูคนงานทำงานไหมแล้วเป็นยังไงผลกำไรออกมายังไงบัญชีออกมายังไงตัวเลขออกมายังไงการทำงานบริหารจัดการเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้จาจี้จชัยเหมือนกับ คนสมัยโบราณแต่ทีนี้คนโบราณก็ไม่ถูกใจทีนี่เพราะเหตุไรเพราะว่าลูกของตัวเองเนี่ยมันไม่อยู่ในหน้างานมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ที่ไหนเขาดูโทรศัพท์ของเขาก็รู้บแล้วรถ เ, เขาขเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจอดที่ไหนมันเดินแล้วมันไปยังไงมันกินน้ํามันมากน้อยแค่ไหนจยางนี้เขาดูในโทรศัพท์เขากดรู้แล้วตัวเองก็อยากจะให้เขามาดูในหน้างานอยู่ตลอดถ้าดูในหน้างานมันก็แคบ หลวงพ่อเออเท่าแก่อาเสียออต้องทำใจนะการพัฒนาทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนน่ชายต้องดูหน้างานต้องดูคนมคนงานของเขาไม่ให้ขาดตกบกพร่องให้เห็นต่อหน้าต่อตาไอ้ไหนทำงานไอ้ไหนไม่ทำงานยังไงอันนี้พวกเราก็ดูอยู่ตลอดแต่บัดนี้การออมันจเจริญขึ้นม า, มามากแล้วพวกเราก็ต้องทำใจต้องดูผลงานที่นี่ อ, อ, อยไปดูไปดูงานที่เขาทา ให้ดูผลงานแต่ก่อนเราทำงานได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรสิบล้านแต่เขาทำกำไรขึ้นมาเป็น20สิบล้านส0มสิบล้านบ้านก่อนหน้าจะพอใจนะเพราะเหตุอะไรเพราะผลงานมันออกมาแต่ถ้าหากว่าผลงานมันตะกอน อ, อ, อาเสียเท่าแก่ทาได้สิบล้านแต่พอพ่อลูกมาทํานี่ลดลงมา8ดล้านห้าล้านสี่ล้านเนี่ยอันนี้เราก็ควรจะใส่ใจ ควรจะตํำหนิเขาแต่ถ้ า, าว่ามันจเจริญก้าวหน้าเราต้องดูผลงานนะถ้าดูผลงานงานของเขาจเจริญก้าวหน้าแล้วเราก็นับเป็นน่าจะเป็นที่พอใจนะนี่อันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์หลวงพ่ออยากจะให้แนวความคิดเหมือนกันพ่อหลวงพ่อถ้าจะว่าไปก็อย่างที่ครูบาอาจารย์พออทั้งหลายได้รับทราบว่าหลวงพ่อไม่ได้นิ่งดูดายในการศึกษาของลูกของหลาน ถึงหลวงพ่อจะอยู่ในวัดก็เถอะก็ฟังฟังหูซ้ายฟังหูขวาความพัฒนาและการเจริญของอำเภอนายูงน้ำสมของพวกเราเพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์พวกเราทุกๆท่านใส่ใจในการสอนลูกสอนหลานของพวกเราให้หมันขยันขึ้นอย่างโรงเรียนไหนไปแข่งเขาในแข่งระดับอำเภอยังสู้เขาไม่ได้ ก็แสดงว่าโรงเรียนของเราหย่อนนะนะพออก็อน่าจะเตือนครูบาอาจารย์เออโรงเรียนของเรานี่ยทำไมอ่อนทําไมสู้สู้เอาโรงเรียนอื่นเขาไม่ได้ออพวกเราขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนครูบาอาจารย์ก็หันหน้ากวาหากันทีนี้มาปรึกษากันออใครจะสอนยังไงใครจะวางแผนยังไงออใครจะทํำยังไงในเด็กนักเรียนของเรานี่จะพัฒนาอย่างไรจึงจะ แข่งกับโรงอุดโรงเรียนอื่นเขาได้แต่ถ้าว่าต่อไปถ้าว่าเรามีความใส่ใจด้วยกันเด็กนักเรียนของเราก็จะไปได้เรื่อยๆพูดที่นำทำหน้าที่ไหนที่มอบหมายให้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในหน้าที่นั้นคล้ายๆกับว่าพวกเราอยู่ในเรือลําเดียวกันเรือลำทีของเราจะทํายังไงจึงจะวิ่ง เอาชนะเลือกลําอื่นเขาได้นคนใน เ, เรือหรือว่าพวกพายเรือทั้งหลายแหล่ครูบาอาจารย์ทั้งผ อ, อทั้งผนะ อ, อ, อก็คือนายท้ายเรือนั่นน่ะจะให้เรือไปทางไหนผ อ, อ, อก็จะต้องใส่ใจในการในเรือของตอนเองเอไม่ใช่ว่าผ อ, อ, อ, อก็เมาเช้าเมาเย็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะผ อ, อ, อทั้งหลายนะอันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวเตือนภาพเป็นภาพรวมนะอยากจะให้ สรุปแล้วก็คืออยากจะให้ครูบาอาจารย์ทุกระดับทั้งพออทั้งครูโรงเรียนทุกคนใส่ใจในการศึกษาใส่ใจในการเรียนในการสอนนักเรียนของพวกเราถ้าโรงเรียนของพวกเราเออติดระดับในอำเภอเอ้าเอาให้ติดระดับจังหวัดถ้าติดระดับจังหวัดขึ้นไปแล้วก็ติดระดับประเทศเในการสอนหลวงพ่อว่ามันเป็นไปได้ทางนั้น แต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้การศึกษาดีเท่าที่ควรแล้วเด็กของเราคงจะด้อยไปเรื่อยๆทําไมถ้าว่าเด็กคนไหนโรงเรียนเขาดีเราก็สืบสอบกันได้เอสอนอยังไงปฏิบัติยังไงสอนอยังไงเด็กนักเรียนจึงจะรู้หลวงพ่อว่าเนี่ยนองโรงเรียนไหนก็ตามถ้าว่ามีครูใหม่เข้ามาเนี่ย ถ้ามันครูใหม่ก็คือยังมีไฟอยู่พออต้องรู้จักใช้คนมีมีไฟนะพออที่เป็นหัวหน้าโรงเรียนควรจะใช้คนที่มีไฟให้เขาสอนวิชาไหนอย่างวิชาวิวทย์คณสตรอังกฤษอย่างเี้ยเป็นวิชาที่ครูเก่าๆสอนแล้วเด็กจะไม่ค่อยเข้าใจเอาเขาอาจจะมีเทคนิคใหม่เข้ามาในโรงเรียนของเราครูบาอาจารย์ที่เป็นพออก็ควรจะถามไทย ว่าจะจะสอนเขาจะสอนยังไงเขาถนัดยังไงจากนั้นก็ปล่อยให้เขาสอนดูซิเมื่อสอนไปแล้วผลออกมาอย่างไรถ้าผลเป็นที่พอใจก็จะได้ยึดตามแนวแถวนั้นอันนี้หลวงพ่อว่าทุกคนต้องเปิดใจให้กว้างในการศึกษาของเด็กถ้าว่าพวกเราคับแคบแล้วการศึกษาของเราก็เหมือนกับม้าเมืองลำปางอย่างั้นหละหรือมมาอิเนเดียอย่างนั้นอ่ะ เอาอะไรป้องตามันไว้มองแคบๆมองใกล้ๆนี่ถ้าหาว่าเป็นม้าที่จะมองวิ่งก้าวกระโดดแล้วจะต้องเปิดตาให้มันกว้างมันจะกระโดดไปในในใ น, ในทางที่ต้องการเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกทุกคนให้ใส่ในให้ไฟในการสอนเด็กลูกหลานของพวกเรานี่หลวงพ่อได้จดใส่กระดาษไว้นี่นะโรงเรียน อำเภอนายุงของเราเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะครูบาอาจารย์ทั้งหมดสองสองอสามสิบคนสองร้ยสาสิบท่านนะถ้าหากว่าเป็นเงินเดือนถ้าเดือนละหมื่นคนละหมื่นนะจะได้สองล้านสามแสนสองล้านสามแสนถ้าหากว่าเดือนละสองหมื่นจะเป็นสี่ล้านหกแสน ถ้าหากว่าเป็นครูโรงเรียนทั้งเขตหนะนึ่งพันเก้ารอยหกสิบท่านหกสิบครูโรงเรียนท่านเดือนละสามหมื่นเป็นห้าสิบแปดล้านะ่ะห้าสิบแปดล้านแปดแสนนหลวงพ่อจดๆใส่ตัวนี้นะหลวงพ่อคำนวณเงินเดือนของครูนะถ้าเดือนละสามหมืนแต่อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันกว่านะ อ, าอย่างพ่อออนี่เท่าไหร่งงานเต อ, เอตั้งหลายหมื่นนะ เ อ, อแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละคนเนี่ยสรุปแล้วก็คือแต่นี้มาย้อนนะเนย้อนให้ครูบาอาจารย์สํานึกครูถ้าหากว่าครในเงินเดือนถูกไหมหลวงพ่อว่าถ้าจะว่าถูกก็ถูกนะถ้าจะว่าถูกก็ถูกเพราะเหตุไรถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันก็อ ย, ยอยู่ยังอยู่แถวแนวหน้าอยู่ แต่ถ้าจะว่าถูกไหมค่าครองชีพขนาดนี้ก็ยังถูกอยู่เพราะประเทศของเรายากจนยังไม่ยังไม่ร่ํารวยพอแต่ถ้าประเทศเขาที่ร่ํารวยพอเขาก็มีเงินเดือนมากกว่านี้แต่นี้ประเทศของเรามีขนาดนี้แต่ว่าเงินเงินสวัสดิการเก็บไข้ได้ป่วยหรือว่าลูกของพวกเราได้รับการศึกษาอันนี้เขาให้ ให้มากทีเดียวทางรัฐบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ให้ค่ารักษาพยาบาลถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวบ้านทิดดิอา้าวท่านว่าเราอยู่กับชาวบ้านแต่ชาวบ้านเขามีเอกสิทธิ์อะไรเขาก็ได้เงินเดือน เ, อเงินบัตรทองส0สบบาทที่ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วค่าลูกของเขาละมีไหมก็ไม่มี ถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวบ้านที่เราอยู่กับชาวบ้านเราก็ยังเหนือชาวบ้านมากทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ครูบาอาจารย์เปรียบเทียบอย่าไปเปรียบ เ, เ, เทียบให้ขั้นสูงกว่าเราให้เปรียบเทียบกับชาวบ้านไว้ก่อนถ้าหาว่าเราเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่านะคนที่สูงกว่าเราฐานะที่ดีกว่าเราเราก็คิดว่าเราต้อยต่ําต้อยกว่าเขาแล้วเราก็จะพยายามก้าวกระโดด ให้ตามเขาผู้ที่สูงกว่าผลี่สุดเมื่อก้าวกระโดดไม่ทันตัวเองก็นี่ยแหละ อ, อ, อาจจะไปออกนอกลู่นอกทางเล่นหยเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นการพานงการพานันคอรับช่องคอรับชั่นไปเท่นี่มันจะออกไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองมองต่ำนะมองโลกให้มองต่ำมองทำให้มองสูงคนโบราณเขาว่ามองโลกให้มองต่ำคือให้ต่ำกว่าพวกเรา นึกดูชาวบ้านของเขาเขาเป็นอยู่อย่างไรเราขึ้นเข้ามาเป็นครูขนาดนี้เราก็เหนือกว่าเขาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มองวิทยาฐานะนะเรามองค่าครองชีพนะค่าครองชีพของเขาเราเหนือกว่าเขาอยู่แล้วเพราะเราได้เงินสวัสดิการมากมายทางรัฐบาลเอาให้นะแต่ถ้าว่าปเปรียบเทียบ ก, กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านต่ํากว่าเรามากในส่วนนี้นะแต่ว่าบางคนที่เหนือกว่า ที่เขาทำมาค้าขายที่เขารวยกว่าเขาก็ได้ใช้ของที่หรูหราโออากว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับเขาเหล่านั้นเราก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามองสูงเกินฐานะของเรามองต่ามองธ ม, มองโลกให้มองต่ำไงโมกโลกก็คือโลกกะระทำให้เรามองต่ำเอาไว้ถ้าเรามองสูงเนี่ยถ้าเรามองสูงมันไม่ได้อย่างใจของเราเราอาจจะ ทำความชั่วชา้าเสียหายเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นมองธรรมคือความประพฤติคนที่มีศีลธรรมที่ดีมีความประพฤติดีมีคุณภาพดีเราต้องมองเราเขาทำยังไงอันนั้นคืออย่างมองอมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าวัยวุฒิคุนวุฒิที่เขาจเจริญด้วยคุณธรรมเราต้องมองเขาเออเขาทำอย่างนั้นเขาจึงจะมีความสุข ตรอดชีวิตหรือในครอบครัวของเขานีอันนี้เราต้องมองทำมองทำให้มองสูงเอาไว้เราจะต้องทําให้ได้อย่างเขาเขาเหล่านั้นหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราจะต้องทําให้ได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยอันนี้ก็คือให้มองมองความประพฤติหรือศริยธรรมให้มองสูงเอาไว้อย่าไปมองต่ำแต่ทางมองโลกเนี่ยอยากจะให้มองต่ําเอาไว้ถ้ามองสูงไม่ได้เดี๋ยวเราออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายนะ อันนี้ก็ขอบอกก่าวเตือนยำ้ำครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ลูกหลานทุกคนอยู่ในเขตอำเภอนาอยุงหลวงพ่อเองก็อยู่ในอำเภอนาอยยงนะเป็นพระหลวงปู่หลวงตาถ้าจะว่าไปในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกว่าสมณะพรามสมณะพรามเป็นผู้ชี้หนทางว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรนะลูกหลานเนอ้ออันนี้อย่าทาเนอ้อ เอออย่างนี้อันนี้คือสัมมนาพราหมแต่ถึงยังไงก็ตามครูบาอาจารย์ในเขตอํเาเภอนายูงของเราเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจเพราะหลวงพ่อพูดเรื่องศีลธรรมให้แก่ลูกหลานได้ฟังถึง MP3 ถึงเทปอะไรหนังสืออะไรหลวงพ่อก็แจกอยู่ตลอด MP3 หลวงพ่อก็แจกอยู่ตลอดสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเน้อลูกหลานเน้อหลวงพ่อพูดทุกระดับไม่ว่าไม่ว่าสอนครูนะสอนทุกระดับ ถ้าว่าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นแม่แบบเป็นแม่ฉบับเป็นแม่บทของคนท้องถิ่นเราทำตนให้เป็นคนดีหลวงพ่อว่านะถึงยังไงยังไงสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเด็ดขาดอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงองค์เจ้าหรือว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาวัดไหนก็าตามนะหลวงพ่อจะพูดเลย พระทั้งหลายนะ อ, อยู่ใน เ, เป็นพระสัมมาณัสากยะบุตรแล้วต้องทําตนให้เป็นพระที่ดีนะสิ่งที่มันเร็วๆเสียหายอย่าทำนะแต่บางครั้งก็ได้ยินขึ้นมาพระไปขายยาบ่มยาบ้าอย่างนี้ปีที่แล้วปีก่อนๆเมื่อปีหรือสองปีที่หลังที่สุวรรณครูหาหลวงพ่อได้ยินแล้วก็สลดใจเอ๊ไม่น่าจะทําอย่างนั้นไม่น่าจะ เอาง่ายๆอย่างนั้นไม่น่าจะคิดอย่างนั้นคิดได้อย่างไงทั้งที่พี่น้องประชาชนมาทำบุญตักบาตร ใ, ใส่บาตรใส่อาหารให้เราได้ฉันก็น่าจะปกป้องน่าจะเห็นคุณของเขาทำไมจึงไปขายอย่างนั้นให้ลูกให้หลานเขาแต่เมื่อลูกหลานเขาติดยาบ่งยา บ, บ้าเข้ามาแล้วมันจะเสียหายขนาดไหนทำไมพระสงฆ์ถึงจึงไม่คิดอันนี้หลวงพ่อก็ได้เศร้าใจเหมือนกัน แต่ถึงอย่า ง, งไรก็ตามครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ทาตนถึงจะร่ารวยยังไงอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยเป็นธรรมพวกเราหลับตาพิ้วเมื่อไหร่เราก็ยังล้ำลึกได้ว่า เราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราไม่ได้ทําความชั่วช้าเสียหายอะไรเลยเราทําแต่ขุดงามความดีถึงเราจะยากจนก็เราก็มีจิตใจที่จะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญ เ, เราไม่ได้ทําร้ายทําลายประเทศเราไม่ได้เป็นขยะของประเทศเรามีแต่ส่งเสริมประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละอยากจะให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ให้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติสั่งสอนลูกหลานของเราให้ก้าวหน้าในการศึกษาเพราะการศึกษาของพวกเราจะเข้าสู่อาเซียนอาเซียนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นแต่นี้มาพูดถึงศีลธรรมเรื่องศีลธรรมหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์อยู่ในระดับนี้หลวงพ่อมี ทาตยานย่าโยมลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้มาเกี่ยวข้องทุกระดับพูดอย่างนั้นได้บางทีท่านดรท่านก็ได้มาพูดกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อเชื่อไหมว่าคนยุคสมัยนี้แหละเขาบอกว่าตายแล้วศูนย์นะเพราะผมเป็นหัวหน้าสวนราชการแต่นี้ผมก็ได้เชิญหัวหน้าสวนราชการที่จบพี่เป็นนักเรียนนอก ปริญาโทเป็นอย่างน้อยปริญาเอกเป็นส่วนมากมาทานอาหารร่วมกันผมก็ถามในโตะยาวโต๊ะกลมของผมในโตะยาวของผมเนี่ยบางทีกันมาถึงยี่สิบคนก็มีผมก็ถามว่าพวกท่านทั้งหลายพูดตามความจริงนะผมจะถามนี่ไม่ต้องอายมีความรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นผมจะถามตรงๆเลยนะเออ เพราะผมอยากจะรู้ความในใจของพวกเราที่เรียนสูงนะ่ะปริญญาเอกนะ่ะมีความรู้สึกยังไงจบมาจากนอกทางนั้นผมขอถามว่าผมขอถามเลยนะคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดนีท่านยิงคําถามผมจะถามเป็นรายบุคคลนะผมจะถามเป็นรายบุคคลคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดข้อไห น, นก็ตอบถามเชื่อไหมคนนั้นเชื่อไหมเรียงเป็นลําดับทุกครั้ง ที่ผมถามแล้วมาประมวลลงผมมาประมวลได้ว่าคนประมาณเก้าสิบคนที่เป็นด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกหรือเป็นปริญญาโทจากเมืองนอกเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดประมาณเก้าสิบคนหลวงพอ่อเอกหกคนเขาบอกว่าเขาเชื่ออีกสี่คนเขาไม่มั่นใจเนบา้านอานบางทีอาจจะอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ผมไม่มั่นใจ แต่หกคนก็้เขาบอกว่าผมเชื่อเพราะเหตุไรบางทีผมไปเป็นนอนอยู่ที่ไหนบางทีเห็นผีก็มีทั้งที่ผมไม่ได้ตาฝาดแต่บางทีก็เห็นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจของผมเนี่ยผมพูดไม่ออกแต่ผมรู้ว่าเป็นอะไรในใจของผมแต่ผมไม่ใช่สติฟั่นเฟือนแต่ผมรู้แก่ใจเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าต้องผีต้องมีแน่ต้องเกิดตายแล้วต้องเกิดแน่ ม, มีเกิดการเกิ ด, ก า, ก, ดการตายแน่ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นใน MP3 สของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องว่าตายแล้วเกิดเนะ้อพี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนะ้อพราะพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วที่โคนต้นโพวันเดือนหกเพนนนั่นนะ่ะท่านนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก นี่แหะคือหลักพิสูจน์ตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญและพิสูจน์ได้ยังไงแี่ในเมื่อนั่งสมาธิใจของเราผู้รู้ของเราคือสมองของเราในความคิดของเราเนี่ยมันไม่คิดไปข้างหน้ามันไม่คิดไปข้างหลังมันอยู่กับที่ลมที่ปลายจมกูกที่ลมหายใจเข้าหายจออกเท่านั้นแหละจ่ออยู่ที่นั่นกําหนดอยู่ที่นั่นไม่ให้มันไปที่อื่นใจของเราอยู่ในที่นั่นต่อไปใจของเราจะสงบทีนี้ มันจะนิ่งปุ๊บพอสงบปุ๊บลงไปนี่มันจะมีความรู้สึกเห็นได้ชัดเลยในร่างกายของเรากายกับใจอาศัยกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นแหละใจคือคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมั่นใจเลยสิเออร่างกายนี่แตกตายสลายแน่เข้าไปอยู่พงหญ้าแ น, แน่แต่นามธรรมาคือใจดวงนี้เนี่ยมันจะออกจากร่าง เพราะมันคนและอันกันชัดเจนเลยในความรู้สึกในจุดนั้นนี่แหละพระพทธเจ้าวจะไปค้นคว้าศึกษาจุดนี้จากนั้นพระองค์ก็น้อมพระทยัยขึ้นล้อมใ จ, ลลจาารละลึกชาติผลหลังได้เจะว่าปุเพในวาสานุัติยานระลึกชาติผลหลังถ้าว่าตายแล้วสูญแล้วท่านจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกจากนั้นมาต่อต่อไปอีก อันนี้คือปุเพในวาสานุสติยานคือเรื่องของตนเองดูเรื่องของตนเองแต่ในพอถึงเที่ยงคืนท่านหัวท่านใช้ทำพระไทยใจของพงษ์สงบลงไปอีกเลยจุตูปะปาตยานคือการจุติคือมองคนอื่นทีแรกมองตนเองซะก่อนพอที่สองพอถึงเที่ยงคืนมองคนอื่นคนอื่ น, นได้ทําใหม่ทําไมมาเกิดมาด้วยอะไร มาเกิดที่นี่เพราะอะไรทําไมคนเกิดไม่เหมือนกันทําไมโง่ฉลาดต่างกันอวัยวะต่างกันมั่งมีสีสุกต่างกันมันต่างกันไปหมดขนาดร่างกายพวกเราพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นหลายร้อยคนกันยังไม่เหมือนกันทําไมกรรมจึงจําแนกให้เกิดมาต่างกันขนาดนี้เพราะพระธองค์ก็รู้ว่ากรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว กรรมนั่นแหละเป็นเครื่องจำแนกให้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาในภพภูมิต่างๆต่างกันอันนี้ก็คือพอถึงเที่ยงคืนพอถึงจวนสว่างพระพุทธเจ้าก็กำหนดดูอีกว่าอาสาวกขยะยานยานอย่างรู้ว่าเราทำไมจะมาเกิดมาเกิดเพราะอะไรทำไมจึงมาเกิดอย่างนี้พระองค์พิจารณาย้อนย้อนย้อนลงไปไปถึงตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้คือวความโง่ ความโงค่คือตัวไม่รู้อวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณปัจจะยานามรูปังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมณสูปายาตความร้องให้พิไรรำพันเศร้าโศกมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เนี่ยพอพระเจ้ยาย้อนไปถึงจุดนั้นเท่นทานบอกอืมทาไม่อากนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ตประธรรมคือศีลธรมาธิปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจากรรมัจโตอาชีวาวายโมจติสมาธินี่แหละคือมรรคแปดนี่แหะย้อนเข้าไปพิจนารณากันกลองไตรตรองพระองค์ก็สลัดกิเลสคือราคะโทสะโมหะคือกิเลสโลภโกรดหลงออกจากพระไทยของพระองค์พระใจขององค์ก็เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทธโธพระองค์ก็ประกาศเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่เราทําให้เราเกิดนั่นคือกิเลส ราคะโทสะโมหะหมัดนี้เราสลัดกิเลสออกจากใจของเราแล้วใจของเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกๆท่านอยากจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญนั้นอย่าไปนึกอย่าไปเดาอย่าไปคาดคะเนอย่าไปฟังจากคนอื่นมาให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่ว่าทํากายให้ตรง แล้วพยายามบังคับใจของตราเองให้อยู่ที่ปลายจมูกให้เป็นหนึ่งเมื่อใจจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันร่างกายท่านว่ารูปประธรรมส่วนจิตใจนั้นเรียกว่านามธรรมพระพุทธศาสนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ความสาคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปประธรรม ท่านให้ความสำพันธ์เรื่องของใจมากกว่าใจของพระพุทธเ จ, จ้าได้ตรัสรู้ร่างกายก็ได้ตรัสรู้ไปด้วยเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหาว่าสมองของเราดีเราเรียนได้เป็นผ อ, อร่างกายของเราก็เป็นผ อ, อไปด้วยแล้วก็คุณนายที่มาเป็นพัญญาของผ อ, อก็เป็นคุณนายผ อ, อไปด้วยบ้านก็เป็นบ้านผ อ, อไปด้วยรถก็เป็นรถผอไปด้วยสิ่งไหนก็ตามมันมันมันมาจาก หัวสมองของพออถ้าพออสมองถุยจะไ็้ไม่ได้เป็นพออแล้วเขาจะเรียกว่าพออได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นุรพไทยของพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้นุคือนามธรรมของพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เมื่อนามธรรมได้ตัดสัุ้แล้วร่างกายก็ไลยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเนือสาวกกับสาวกพระพุทธเจ้าพุทธศาสนากับศาสนาของพระพุทธเจ้า นี้ก็เหมือนกันพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเรื่องของใจคือเรื่องของนา ม, มาธรรมที่พวกเรามองไม่เห็นน่แหละจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ความสำคัญเรื่องนา ม, มาธรรมเรียกว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริ ง, รรรงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้โอวาทปฏิโมกข์อกตังดุกตังเส้อยโยปั ช, ช่าตปฏิดุกตังความชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนหรือความชั่วนั้นจะเผาผ่านตัวเองเมื่อภายหลังเหมือนกับเราไปทําความชั่วในวันนี้ไปฆ่าเขาเข้าจากนั้นกันเนี่ยวิ่งหัวซกหัวขขสุนแต่ไม่วิ่งหนีกันนั่นแหละแก้คดีไม่รู้จักจบ เออเพราะว่าตัวเองทำความชั่วแล้วเขาพยายามที่จะเอาความชั่วใส่ตัวเองให้ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองทำไปแล้วเนี่ยเออมันจะหนีไปที่ไหนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อทำคําสอนของพระพุทธเจ้าวไว้เถอะนะนะตายแล้วไม่สูในในครั้งพุทธกาลก็ยังมีนะเออมีเออมีพรามคนหนึ่งเป็นผู้ทำนายหัวกะโหลกคนจับหัวกระโหลกมาแล้วก็เคาะเคาะก็บอกเลยกาหนดจีดดัว กะโหลกนี้วิญญาณนี่ไปเกิดที่ไหนออก็ไปเกิดเป็นไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปสู่สวรรค์ไปสู่พรมหมไปพระพุทธเจ้าว่าให้พราหมณ์คนนั้นมาเคาะกะโหลกเอาเอากะโหลกมา6กหัวกะโหลกนะกะโหลกหนึ่งไปตกนรกกะโหลกหนึ่งไปเปรตสัตว์ที่ไรฉานออไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่ผลในสุดให้เขาเคาะ พอเคาะเขาก็รู้บทพระพุทธองค์ว่าสาธุประธานสาธุเขาว่าเห็นด้วยถูกต้องเท่าเคาะในถูกต้องแต่ตอ น, นี้พระพุทธเจ้าเอากระโหลกพระรหันให้มาเคาะทีนี่พอเคาะป๊ก ป, ป, ป๊ฟังกําหนดดูหายเงียบเคาะทีเลยก็หายเงียบคือพระรหัน์นี่ไม่มีที่ไปที่มาเนยพระรหันนี่ก็คือใจของพระองค์นี่เป็นอมตะธาตุเป็นอตมตะธรรมจิตใจบริสุธิ์ไม่เหมือน จิตใจของผุ้ถูชนถ้าจิตใจของผุ้ถูชนน่ะไปแล้วมันมีนซ้ายไปเหมือนกับ เ, เหมือนกับไอพ่นมันไปมันพ่นควันตามหลังลักษณะอย่างนั้นแหละแต่พระละหานเนี่ยไปแบบไม่มีไอไม่มีควันนะหายเงียบไปเลยนี่แหละพราหมณ์คนนั้นกัมาเคาะกระโหลกพระละหานเะนี่ยเคาะเทลัยก็เงียบเคาะเทลัยก็เงียบพระพุทธเจ้าถามว่าวังคีสะเธอรู้ไหมว่ากระโหลกนี่ไปไหนไม่รู้พระเจ้าค่ะ เธออยากจะรู้ไหมอยากจะรู้ครับแต่ทำยังไงผมขอเรียนกับพระพุทธเจ้าด้วยเถินะพุทธเจ้าไม่ได้ล่ะต้องบวชถ้าบวชแล้วเราจรึงจะประสิทธิ์ประสาทคาถาบทนี้ให้หมวลบทนี้ให้ครับผมขอบวชครับเนละจากนั้นพระวิงพระวังกีรสาก็เลยบวชพอบวชขึ้นมาก็พยายามเรียนพระพุทธเจ้าก็ให้เรียนกรรมฐานหนะ้าเนี่ยแล้วอาการสาสบสองให้ท่องบทสาธยาย พอท่องไปได้สองสามวันบริวารก็มาอาจารย์เรียนจบหรือยังวังคีสะก็บอกว่ายัางยังยังยังถอยๆ ย, ยไปก่อนเดี๋ยวกําลังเรียนอยู่กําลังตั้งใจเรียนอยู่ไปถอยถอยถ อ, ยอยไปก่อนบริวารก็คอยอยู่ข้างนอกวัดพอถึงเจดวันวังคีสะผามได้สําเร็จเป็นพระอรหันทร์พอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพวกลูกน้องเข้ามาเป็นไงอาจารย์ได้เวลาศึกหรือยังเนี่ย อาจารย์เอ้ยข้าไม่ศึกแล้วไว้สู่เจ้าจะไปทางไหนก็ไปหาอยู่หากินข้าไม่ศึกแล้วพ่อว่าด้านพระสงฆ์อะไรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าวังคีสะพระใหม่นี้อวดอุตริมนุสธรรมถ้าไม่ศึกกับมือพระหรหันเท่านั้นแหละที่จึจะไม่ศึกนอกนั้นไม่แน่เพราะนั้นวังคีสสะพามอวดอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าเรียกมา พุทธาถามว่านี่แหละวังคีสะพามนี่นะพระองค์ใหม่นี้บวชมาแล้วได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจบแล้วในชาตินี้เขาจะไปยุ่งอะไรเรื่องวิชาทางโลกหายอยู่หากินอย่า ง, ง น, นั้นนี่แหละนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านไม่ได้ปฏิเสธเนืเรื่องตายแล้ ว, ต า, ลวตายแล้วสูด ต, ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าพวกเราอยากจะรู้กับอย่างที่หลวงพ่อได้แน่แนว ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาให้หนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปเดาอย่าไปคาดการอย่าไปฟังอยากคนอื่นมาให้ปฏิบัติด้วยตนเองจะรู้ได้ตนเองด้วยตนเองวันนี้อาตมาภาพหลวงพ่อได้กล่าวสมโธนิยกถาเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาถึงจะหนักจะเบาอย่างไร หลวงพ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอภัยได้รับอภัยจากลูกหลานทุกคนเพราะบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่ออาจจะพูดตุนแรงไม่ถูกกิจถูกใจของคณะครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงเจตนาดีของหลวงพ่อในเต็มเปี่ยมในใจอยากจะให้ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีความกระตือรือร้อนหรือว่าเป็นผู้มุ่งมั่นในการสอนลูกหลานของเราอยากจะให้ลูกหลานของเรานี่เป็นสางเผือกเออสางเผือกในดง ออกไปสู่สมรภูมิคือโลกอันกว้างแต่ัะดับแรกเข้าสู่จังหวัดเข้าสู่ภาคเข้าสู่ระดับประเทศต่อไปจะเข้าสู่อาเซียนอยากจะให้อําเภอนายุงเป็นหนึ่งในการสอบชนะวิชกนิตของอาเซียนทั้งปวงหลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะความหมาย้ลยความตั้งใจของหลวงพ่อ เพราะนั้นการกล่าวสมบทธนิยะคถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองวันนี้เป็นวันครูขอให้วันครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกประการเทิน